แนะนำบทอัลฟุรุกรบทอัลฟุรุกรเป็นบทมักกิยะมีเจองค์งการเริ่มโดยการกล่าวถึงคำพีอัลกุรอานซึ่งพวกมุสริกีนได้ใช้วิธีการต่างๆนานานในการใส่ใครและปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นองการจากพระเจ้าบางครั้งก็กล่าวอ้างว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับอภินิหารของผู้วิเศษบางครั้งก็กล่าวว่าเป็นการอุปโลกของมุฮัมมัดเอง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 บทนี้ยังได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงอนุภาพและความเป็นเอกภาพของอัลลอ์สุบฮานูอ์ตาลารวมทั้งความประหลาดและสิ่งที่แสดงถึงความมหัศจรรย์ในการสร้างจักรวาลของพระองค์ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงอนุภาพของอัลลอ์และบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้จบลงด้วยคุณลักษณะของอีบาดุรอฮมานคือบ่าวของอัลลอฮ์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 นับได้ว่าเป็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาตทั้งปวงเพราะมันเป็นดวงประทีปอันจรัทและแสงสว่างอันชัดแจ้งซึ่งอัลลอฮ์ทรงแยกแยะเห็นอย่างชัดแจ้งระหว่างความจริงกับความเท็จและแสงสว่างกับความมืดและการกุฟรกับการอิมานดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถูกขนานนามว่าบทอัลฟูร์กอ ด้วยพระนามของ a ล l a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอความจำเริญยิ่งแด่โร่งผู้ทรงประทานอัลฟุรุกอัแก่บบาวของโร่ง ม, ามาุฮัมมัด เพื่อเขาจะได้เป็นผู้ตักเตือนแก่ปวงเบาทั้งหมดลสำหรับพรงค์เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและแผนดินและโพรงค์จะไม่ตั้งผู้ใดเป็นพระบุตร และสำหรับพระองค์นั้นไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ในการครองอำนาจและพระองค์ได้ทรงบังเกิดทุกสิ่งและทรงกำหนดให้มันเป็นไปตามกฎสภาวะวววัตนาลยกช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 และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าแท้จริงอลัลกุรอานนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเครื่องโกหกที่มวฮัมหมัดได้กุกขึ้นเอง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 ล ا أ م م และพวกเขากล่าวว่าอะไรกันกับรอสูลคนนี้เขากินอาหารและเดินในตลาดทำไมจึงไม่มีมลาัากถูกส่งมากับเขาเพื่อจะได้เป็นผู้ตักเตือนร่วมกับเขา أو يلقا إليه زن أو تكون له جنة يأكل منها وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن ت َ ت َّ ب ِ ع و ن َ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا หรือมีครั้งสมบัติถูกโยนมาให้เขาหรือให้เขามีสวนแห่งหนึ่งเพื่อเขาจะได้กินสิ่งที่ที่มีอยู่ในสวนนั้นและบรรดาผู้อาธรรมกล่าวขึ้นว่า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 ความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ผู้ซึ่งหากพระองค์ทรงประสงค์จะให้เจ้ามีดียิ่งกว่านั้นคือมีสวนสวรรค์หลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง แล ะ, ะลลแต่ถ้าว่าพวกเขาปฏิเสธวันอวสานและเราได้เตรียมไฟอันร้อนแรงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธวันอวสานแล้ว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 ในวันนี้เจ้าอย่าได้วิงวอนขอความพินาศเพียงครั้งเดียวแต่จงวิงวอนขอความพินาศหลายๆครั้งเถิด